วันพวกเราจะมาศึกษาวิธีที่จะทําให้พวกเราเป็นมหาเศรษฐีกันการเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่การเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเป็นคนรวยที่แท้จริงก็คือ ต้องเป็นคนที่ไม่มีความต้องการจะได้อะไรอีกแล้วเป็นคนที่มีความพอมีแต่จะให้จะไม่มีการขอจะไม่มีการอยากได้อะไรจากใครทั้งนั้นถ้ายังมีความอยากได้ยังอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็น มหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยแต่จะเรียกว่าเป็นคนขอทานเพราะยังต้องขอต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่คนที่มีความพอแล้วคนที่ไม่มีความอยากแล้วนี่แหละเป็นเศรษฐีที่แท้จริงเช่นพระพุทธเจ้า พาะรหานตสาวกทั้งหลายท่านพอแล้วท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วท่านมนแต่จะให้นอกจากสิ่งที่ท่านให้ไม่ได้ก็คืออัฏฐบริการเท่านั้นนอกกนั้นแล้วท่านไม่ต้องการไม่เก็บเอาไว้ท่านให้ได้หมดการที่เราจะ เป็นเศรษฐีที่แท้จริงนี่ได้เราต้องกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราให้ได้เพราะความอยากอันนี้แหละที่ทำให้เราเป็นขอทานกันเพราะว่ายังไม่อิ่งไม่พอนั่นเองนี่แหละคือการ ทำให้ตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การออกไปหาเงินหาทองมาเพราะว่าการหาเงินหาทองไม่ได้ทำให้ใจอิ่มใจพอไม่ได้กำจัดความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่กลับจะทำให้เกิดความ อยากมีอยากเป็นเพิ่มขึ้นไปถ้ายังมีความอยากมีอยากเป็นอยู่จะเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้อย่างไรจะเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยได้อย่างไรคนร่ำรวยที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการอยากจะได้อะไรเพราะว่ามีพอแล้วนั่นเองมีมากเกินกว่าที่จะ ใช้ใช้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ใช้ไม่หมดเราจะไปหามาเพิ่ม อ, อีกทำไมวิธีที่เราจะทำให้เราเป็นเศรษฐีเราก็ต้องกำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความไม่พอ การที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องหยุดความคิดเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา แต่เวลาที่เราไม่ได้คิดเราก็จะไม่ได้เกิดความอยากแต่การไม่คิดเพียงอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลบล้างกำจัดความอยากให้หมดไปได้เป็นเพียงแต่การสกัดความอยากไว้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเวลาที่เผลอ ไปคิดก็จะเกิดความอยากได้อกการที่เราจะกำจัดความอยากได้อย่างท้าวรนถึงแม้ว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเราต้องใช้การสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลง เพราะความหลงนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาความหลงคืออะไรคือไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงอยากได้นั่นเองเราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่า เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรนเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามคำสั่งของเราได้เสมอไปเวลาที่เราสั่งได้เราก็มีความสุข แต่เวลาที่เราสั่งไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์นี่แหละคือการที่เราจะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สร้างความอิ่มสร้างความพอสร้างความเป็นเศรษฐีให้กับเราได้อยู่ที่การเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้เห็นว่าเขาไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งชั่วกราวเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปพอเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เหมือนกับเราเห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นยาพิษอาหารทุกชนิดที่เรารับประทานเครื่องดื่มทุกชนิดที่รับเรารับประทานถ้ามีสารก่อมะเร็งอยู่ในอาหารเหล่านั้นเราจะซื้อมารับประทานกันหรือไม่เราจะไม่อยากซื้อมาเพราะเราไม่อยากจะเป็นโรคมะเร็งกันอันนี้แหละคือปัญญา เราต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพอแต่จะทำให้ใจของเรานี่หิวอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือการกำจัดความอยากอย่างถ้าวรต้องกำจัดด้วยปัญญาความรู้จริงรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรา แต่ก่อนที่เราจะสอนใจให้เห็นความจริงอันีได้เราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ใจก็จะคิดอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาพอเกิดความอยากเราก็จะไม่สามารถที่จะสอนใจไม่ให้อยากได้ เพราะเวลาอยากแล้วนี่มันทุกข์ทรมานใจเหมือนกับมีน้ํำบงอยู่ในเท้าน้ำน้ำน้ําติดอยู่ในเท้าเราก็ต้องอยากจะเอามันออกแต่การทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการเอาน้ําออกบ่งน้ําออกจากเท้าแต่กลับเป็นการตอกน้ําให้น้านี้ อยู่กข้าไปลึกขึ้นไปอีกแต่เราไม่รู้กันเวลาเราเกิดความอยากเราต้องไปทาําตามความอยากทันทีถ้าอยู่เฉยๆก็จะหงุดหงิดลาคาญใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจพอได้ไปทาําตามความอยากความหงุดหงิดความไม่สบายใจก็จะ หายไปแต่หายไปไม่นานหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่วิธีที่จะหยุดความอยากได้อย่างท้าวรก็คือต้องมาควบคุมการความคิดกันก่อนมาหยุดความคิดให้ได้ทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นกลาง ใจที่ว่างใจัเป็นกลางนี้จะไม่มีความอยากแล้วก็พอใจจะออกมาสู่ความอยากเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาหรือว่าถ้าเรายัางไม่สามารถใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นความจริงว่าเป็นทุกข์ เป็นอนิจจังเป็นทุกขานัตตาได้เราก็หยุดความคิดไปก่อนใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก่อนทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปจนกว่าความอยากนั้นจะส ง, งบตัวลงไปแต่ก็เป็นการส ง, งบตัวชั่อค่าวแต่ก็ดีกว่า ที่ปล่อยให้ไปทำตามความอยากเพราะว่าจะทำให้ความอยากนี้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้พุทธโธ ส, สกัดความอยากได้ความอยากก็จะมีกำลังน้อยลงไปแต่ก็ยังไม่หมดจะหมดได้อย่างถาวรต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะสามารถที่จะหยุดความอยากได้เหมือนกับเราเห็นว่าอาหารต่างๆนี้มีสารก่อมะเร็งอยู่ต่อให้เขาแจกให้ฟรีเราก็จะไม่ซื้อเราก็จะไม่รับมารับประทานเรายอมอดตายดีกว่าดีกว่ารับประทานอาหารที่มีสารเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตร่างกายของเรา ดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากก็คือสตินี้สตินี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องก็เป็นวิธีหนึ่งการบริกรรมธ ร, รมโมสังโฆก็เป็นอีกวิธีหนึ่งการ เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำใจนี้จดจอ่อเฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่เท่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจดจ่สติเหมือนกัน การระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเช่นการบริกรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่ต้องบริกรรมแบบมีเข้าใจความหมายไม่ใช่บริกรรมแบบนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่พอเห็นแก้วก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งจะหากล้วยกินอย่างเดียว การที่เราเบรยกรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อให้เราเราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตายในวันนี้พรุ่งนี้จะมีความอยากได้อะไรหรือไม่ยังอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่หรือเปล่ายังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่หรือเปล่าถ้าหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามวันเจ็ดวันตอนนั้นจะไม่มีกระจิตกระใจ ที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปมีอะไรการที่พวกเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่ก็เพราะว่าเราลืมไปว่าเราจะต้องตายกันบางทีลืมไปเสียได้ซ้ำไปว่าอาจจะไปตายตอนที่ไปเที่ยวนี่ก็ได้คนที่ไปประสบอุบัติเหตุระหว่าง ที่เดินทางไปท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะไปเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะไปตายกันเขาคิดว่าเขาจะไปเที่ยวไปหาความสุขกันแต่แล้วก็มาตายกันถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องไปตายนี้เขาอยากจะไปเที่ยวหรือไม่อยู่บ้านกับไปเที่ยวอันไหนจะปลอดภัยกว่ากันนี่แหละคือการ สกัดความอยากสกัดความคิดด้วยการเจริญสติด้วยวิธีต่างๆสุดท้ายแต่เจริญความพอใจซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ตามขั้นตอนของการปฏิบัติของเราการเจริญสติในเบื้องต้นก็ขอให้เราเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีกับเรา ที่สามารถสกัดความคิดต่างๆให้เบาบางลงไปให้ใจมีความว่างเพิ่มมากขึ้นมีอุบเบกขาเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูเองต้องลองปฏิบัติ ด, ดูบางทั้นก็ใช้การบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเ น, นื่อง หลังท่านก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับใจนี้ประกอบติดอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายตลอดเวลาไม่ส่งใจไปที่ไปที่อื่นพอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถใดแ่นกาลังนอนอยู่ก็รู้ว่ากาลังนอนอยู่พอขยับลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากาลังนั่ง พอขยับขึ้นมายืนก็รู้ว่ากำลังยืนพอขยับจะเดินไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็เฝ้าดูอยู่ทุกวิเรียบทของการเคลื่อนไหวจนกว่าจะกลับมานอนหลับตาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติเพื่อมาสกัดความคิดต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้อยู่กับ การเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอย่างต่อเนื่องเวลาร่างกายไม่ได้ทําอะไรนั่งหลับตาขัดสมาลันตั้งตัวให้ตรงก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้น หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเช่นเวลาลมหายไปก็พยายามหายใจแรงๆเพื่อให้ลมกลับมาอันนี้ไม่ต้องไปทำเพราะจิตกำลังเข้าสู่ความสงบ จิตยิ่งสงบเท่าไหร่ลมหายใจก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปเท่านั้นจนไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีลมอยู่หรือไม่เวลานั้นจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบถ้าไม่เกิดความตนกตกใจขึ้นมากลัวว่าไม่มีลมแล้วจะตายไปให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงของลม แล้วลมกับใจก็จะแยกทานกันไปใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาลมก็หายไปจากการรับรู้ของใจแต่ร่างกายไม่ตายร่างกายก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาก็จะกลับมารับรู้ร่างกายรับรู้ลมหายใจต่อไป พอออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อถ้าสติยังไม่มีกำลังที่แข็งกล้าที่มั่นคงถ้าสติมีกำลังมากพอแล้วสามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลาก็ไม่ต้องเจริญสติให้มาเจริญปัญญาแทนเวลาออกจากสมาธิขึ้นมา ให้พิจารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเช่นลาบยศสลรเสริรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะชนิดต่างๆนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีเจริญมีเสือ่อมถ้าไปอยากได้อยากให้เจริญอย่างเดียว เวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าปปอยากได้ให้เจริญอย่างเดียวก็แสดงว่าไม่รู้ธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆว่าเป็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้สั่งให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่ได้เวลาเขาเจริญเขาก็จะเจริญ เวลาเขาจะเสื่อมเขาก็จะเสื่อมเวลาจเจริญเราดีออกดีใจพอเวลาเสื่อมเราก็เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาจะต้องจเจริญเขาจะต้องเสื่อมเราไม่ไปมีความผูกพันกับเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเวลาเขาจเจริญหรือเวลาเขาเสื่อม ก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่อย่างใดเช่นการเจริญของผู้อื่นการเสื่อมของผู้อื่นของพนที่เราไม่รู้จักเราจะไม่เดือดร้อนจเจริญก็จเจริญไปเสื่อมก็เสื่อมไปเกิดก็เกิดไปตายก็ตายไปไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรแต่พอคนที่เราไปมีความผูกพันด้วย เวลาเขาเสื่อมนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเช่นสามีภรรยาบุตรทิดาลิดามารดาพอเขามีความเสื่อมเกิดขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกๆคนที่จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป อันนี้เป็นเพราะว่าเราไปผูกพันไปเห็นว่าเขาให้ความสุขกับเราพอเขาให้ความสุขกับเราเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไป น, นานๆไม่เสื่อมจากเราไปพอเขาเสื่อมเราก็วุ่นวายใจไม่สบายใจทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจ ดัง น, นั้นเราต้องพิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นราบยศสารถถเสน ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภนีไม่เที่ยง ม, มีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียถ้าประยุ่งกับเขาไปมีความผูกพันกับเขามีความอยากให้เขาแม่เชื่อม เราก็จะทุกข์รู้มีความอยากไม่ให้เขาจเจริญก็จะทุกข์เหมือนกันเช่นเราไม่อยากให้คู่ต่อสู้ของเราจเจริญพอเขาจเจริญเราก็ทุกข์เหมือนกันใจเวลาคู่ต่อสู้เสือ่อมเราก็ดีใจแต่คนที่เรารักเสือ่อมเราก็จะเสียใจคนที่เรารักจเจริญเราก็ดีออกดีใจ มันอยู่ที่ตัวเราเองไปยุ่งกับเขาเองเขาก็เจริญเขาก็เสื่อมของเขาไปตามเวลาของเขามีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันบ้างมีใครบ้างที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมไม่มีหรอาในโลกนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคลที่จะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา เพราะเป็นธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเขาไม่ได้เจริญเพราะว่าเราสั่งให้เขาเจริญเขาไม่เสื่อมเพราะเราสั่งให้เขาไม่เสื่อมเขาเสื่อมเราไปสั่งให้เขาไม่เสื่อมเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีเพราะธรรมชาติของเขาต้องเจริญต้องเสื่อมไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาหลั กับสปปรรพสิ่งทั้งหลายพอเราปล่อยสปปรรพสิ่งทั้งหลายได้เราก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาที่สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือร่างกายของเรานร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันต้องมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเกิดมีการเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายไป ไม่ว่าจะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามจะใช้เงินทองของมหาเศรษฐีของมหากษัตย์มาทำนุบำรุงดูแลรักษาร่างกายอย่างไรก็ตามก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีถ้าเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะว่าไปห้ามมันไม่ได้ห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาแก่ปล่อยให้เขาเจ็บปล่อยให้เขาตายไปถ้าปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปขอทานขอให้คนนั้นช่วยหรือเราเวลาเจบ็บไายได้ป่วยก็ไม่ต้องไปขอเราให้คนนั้นมาช่วยหรือเราเรายอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ไม่ต้องไปขออภัยยโทษไม่ต้องไปขออะไรจากใครนั้นเมื่อถึงเวลามันจะตายไม่มีใครที่จะยับยั้งมันได้ก็ปล่อยมันตายไป เราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปเดือดร้อนทาไมเราเป็นผู้ที่มาอาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายนี้หรือโลกนี้เป็นเหมือนโรงแรมที่เราไปพักอยู่อาศัยเวลาเราไปพักโรงแรมเราจะไปขนข้าวขนของไปเก็บไว้ในโรงแรมไหมเราก็ขออาศัยอยู่ไปวันๆหนึ่งเพื่อทำภารกิจที่เราต้องทำเท่านั้นเอง พอเราทำเสร็จภารกิจแล้วเราก็ถือกระเป๋าเอาเสื้อผ้าของเราใสาก่กระเป๋าแล้วเราก็ออกเดินทางจากโรงแรมไปโรงนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องออกเดินทางไปถ้าเราจะมัวมาหาสิ่งต่างๆมาไว้เป็นสมบัติของเราทาไมัน หาลาบหายุธหาสัรละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายม า, าไว้ทำไมกันไปซื้อข้าวของต่างๆมาเก็บไวในโรงแรมทำไมซื้อตู้เย็นซื้อทีวีซื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวเวลาไปก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งให้โรงแรมเขาหมดมีเราเราควรจะมองโลกเป็นอย่างนี้มองร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเพื่อเอามาทำเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือทำให้เราเป็นเศรษฐีที่แท้จริงเศรษฐีที่แท้จริงก็ต้องหยุดความอยากให้หมดให้ได้การจะหยุดความอยากให้หมดให้ได้ก็ต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมาก ถ้าผู้ใดเห็นนันิจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนี่รอดมากแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีความต้องการอยากได้อะไรเพราะว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสารก่อมเร็งทั้งนั้นเอามาแล้วจะต้องเป็นโลกมาเร็งกันจะเอามาทำไมสารโลกมาเร็งก็คืออะไรก็คือความทุกข์ใจนี่ได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มา ถ้าไม่ได้เอามาก็ไม่ทุกใจถ้าไม่กินอาหารที่มีสารก่อบอะเรก็จะไม่มีโมรคมะ็รเกิดขึ้นนี่เราไม่รู้กันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสารก่อบะไรเป็นทุกข์เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากันเราก็หากันแทบเป็นแทบตายกรอบโกยกันใหญ่แล้วเป็นยังไงมานอนกายหน้าผากันกินไม่ได้นอนไม่หล กวนกวาย ก, กษัตัิย์กสายวิตกกังวลห่วงใยไปกับสมบัติข้าวของเ ง, งินทองสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆที่เราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราแล้วพอเวลาที่จะต้องพัดทากจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งก็อยากจะตายจากโลกนี้ไปเลย นี่อคือความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ที่ทำให้เราเป็นขอทางไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันจบสิ้นขอจากภพนี้แล้วก็ไปขอต่อภพหน้าขอมันไปเรื่อยๆอยากมันไปเรื่อยๆอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่ามัน เป็นโทษกับเรานั่นเองเป็นทุกข์กับเราถ้าไม่มีพระพุทธจเจ้ามาตัดสู้ความจริงอันนี้แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับโวกเราพวกเราก็ยังจะหลงไปกับความอยากอยู่ถึงแม่รู้แล้วก็ยังหยุดความอยากไม่ได้เป็นชาวพุทธได้ฟังเทศฟังธรรมรู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นสารก่อนมะเร็งให้แก่จิตใจของเรา ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ยังอยากกันอยู่อย่างนั้นเราจะไปโทษใครเวลาเราทุกข์ก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปเดินขบวนกันก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคนนั้นคนนี้ไม่โทษความอยากของตนเองถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ใครอยากจะร่ำใครอยากจะรวยก็ปล่อยเขารวยไปใครอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ปล่อยเขาเป็นไปจะได้จะได้โรคมะเร็งเข้าไปฝังอยู่ในหัวใจของเขาจะได้ทุกข์กับความเป็นใหญ่เป็นโตทุกข์กับความร่มความรวยนี่แหละไม่ได้ทุกข์กับอะไรหรอกดังนั้นเราต้องหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อย หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วสอนให้เกิดปัญญาสอนให้รู้ทันความหลงสอนให้หยุดความอยากต่างๆให้ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากก่อนถ้าไม่มีเวลามาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญา ก็ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆออกไปให้หมดก่อนถ้ายังทํามาหากินหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญอยู่ก็ต้องหยุดหาถ้ายังหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองก็ต้องหยุดใช้เงินใช้ทองเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาแบ่งปันมาแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นไป หรือถ้าจะเป็นก็เก็บเอาไว้เพื่อมาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมแต่อย่ากเก็บเอาเงินเอาไว้เป็นสิ่งที่รอใจถ้ามีเงินในกระเป๋าแล้วกิเล่มันจะร้อนกิเล่มันจะแรงเดี๋ยวมันก็จะอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปดื่มไปรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปซื้อของต่างๆ ยินช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีเท่าของต่างๆออกมาขายกันลดราคากันอย่างรุแนแรงท้าทายกระเป๋าท้าทายเงินทองในกระเป๋าท้าทายกิเลสตั้หาความอยากถ้ามีเงินซื้อเดี๋ยวก็อดไม่ได้ก็ต้องออกไปซื้อซื้อแล้วไม่ใช่ว่ามันจะพอมันไม่พอซื้อแล้วมันก็อยากจะซื้อ ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอจนกว่าเงินจะหมดแต่เงินก็หมดก็ไม่ได้อยู่ความอยากอยากจะซื้อยังมีความอย า, อยากอยู่ก็ต้องไปยืมเขาก่อนใช้บัตรเครดิตก่อนแล้วค่อยไปจ่ายทีหลังพอถึงเวลาจะจ่ายบัตรก็ไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวก็ถูกฟ้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์ไปในที่สุดหรือไม่เช่นั้นก็ไปทําผิดกฎหมายไปช่อโก้ไปลักทรัพย์ เดี๋ยวก็ถูกจับเข้าขังคุกขังขั ง, งตารางเอาเงินที่อยากจะซื้อของต่างๆนี้มาทำบุญแล้วจะสบายใจจะสุขใจจะอิ่มใจจะไม่อยากซื้ออะไรถ้าพอเงินหมดก็สบายไม่เดือดร้อนก็จะมีเวลาไปเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญา เพื่อทำลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรนพอความอยากหมดไปอย่างถ้าวรนก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรใครจะให้อะไรมาก็ไม่ดีใจใครจะเอาอะไรไปก็ไม่เสียใจจะถูกขโมยข้าวของเงินทองไปก็ไม่เดือดเน ร, ร, ร้อนใจไม่วุ่นวายใจ ไม่มีเงินเหล๋ย อ, อยู่แม้แต่บาทเดียวก็ไม่เดือดร้อนเพราะยังเป็นเศรษฐีอยู่นั้นเป็นเศรษฐีรัพภายในทรั์ภายในนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาเอาจากเราไปได้แม้แต่กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าไม่ถึงรัพภายในรัพภายในนี้อยู่เนือกฎอนิจจังทุกขังอนาตาัตตเป็นทรัพ์ที่ถาวร เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่แท้จริงคือความสงบความป่าจากคภาพอยากความเป็นอุเบกขาของใจนี่เองนี่แหละคือทรัพย์ภายในของพวกเราที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสแสวงหาทรัพย์เหล่านี้ด้วยการตัดการหาทรัพย์ต่างๆภายนอกไปให้ใ ห, หมดหยุดการหาเงินหาทอง ถ้ายังต้องหาเพื่อมาก็ให้หาเพื่อมาประคองมารักษาอัตภาพชีวิตร่างกายไปให้อยู่ได้เพื่อจะได้มาหาทรัพย์ภายในกันอย่าไปหาทรัพย์มาเพื่อที่จะให้ร่ำรวยเพื่อที่จะได้ไปซื้อข้าวของต่างๆมาเสกมาให้ความสุขกับตน เพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่เสพเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอมีจะต้องเสพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเวลาที่ต้องหาเงินหาทองก็เป็นเวลาที่เหนื่อยยากลําบากเวลาที่หาได้เวลาหาไม่ได้ก็วุ่นวายใจเดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขเราก็จะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินวุ่นวายกับการดูแลรักษาเงินทองเพราะเรามีเงินทองอยู่ภายในใจของเราที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดที่จะไม่มีใครจะมาสามารถแย่งเอาไปจากเราได้ พระพุทธเจ้าภาหารท่านมีทรัพย์ภายในท่านเป็นเศรษฐีภายในใจไม่ว่าอะไรจะเกิดกับสิ่งภายนอกใจจะไม่มาทําให้ทรัพย์ภายในใจของท่านนั้นหดหายหรือหมดไปเลยทรัพย์ภายนอกจะหมดไปร่างร่างกายจะตายไปก็ไม่เกี่ยวกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์ ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นให้แต่ปรมังสุขขังแก่จิตใจตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวที่จะมาทาให้ใจหิวใจต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองเพราะได้ทำลายด้วยอนานาจของธรรมะที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นทานขั้นฉีนขั้นภาวนามาตามลำดับนี่แหละเป็น ขั้นตอนของการที่จะนำพาเราไปสู่การเป็นมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนานี้ยยินถ้าถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการทำทานรักษาศีลและภาวนานไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเป็นมหาเศรษฐี การทำทานก็ทำถึงจุดหนึ่งเมื่อหมดเงินทองแล้วเราก็หยุดไม่ใช่พอเงินหมดเงินก็ไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานใหม่ออย่างนี้ก็จะติดอยู่ที่ทานไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นศีลขั้นภาวนาได้การทำทานก็ทำเฉพาะกับเงินทองที่เรามีมากเกินไปไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ ส่วนที่ต้องเก็บเอาไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเราเราก็ต้องเก็บเอาไว้ถ้าเราบวชได้เราไม่ต้องใช้เงินทองก็สละให้ไปหมดเลยจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกังวลแก่จิตใจอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติไปเลยแล้วก็ออกบวดหากินด้วยการบินตะบาก ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิด อยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันสงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็จเจริญสติควบคุมความคิดทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิก็จเจริญปัญญาต่อทำลายความอยาก ทำลายความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากความหลงนี้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นิจังสุขขังอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนให้ความสุขเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะทำลายความอยากได้หมดหมดความอยากก็กลายเป็นม า, าษฐีขึ้นมาเพราะว่าไม่มีความต้องการอะไรแล้วพอแล้วมีเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนี่คืองานของพวกเราที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเพราะว่างานอย่างอื่นทำไปเท่าไหร่ก็จะไม่ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมานั้น ก็จะหิวไปต่อข้ามพบข้ามชาติไปได้มากี่ร้อยล้านพันล้านก็ยังอยากจะได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยากจะเป็นเองไม่มีวันหมดความอยากเหล่านี้ไม่มีวันหมดจะหมดได้ก็เกิดจากการทำทานรักษาศีลและภาวนานี้เท่านั้นดังนั้นเราอยากไปหลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเรา อย่าไปหลมคิดว่าจะให้ความสุขกับเราขอให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนสารก่อนมาแรงที่จะต้องทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทางด้านจิตใจก็คือทําให้ใจของเราทุกอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันจบสิ้นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราเป็นเศรษฐีให้เราพอให้เราไม่ต้องการอะไรให้เราไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่าง ก็คือการทำทานรักษาศีลและภาวนานี่ถ้าเราทำทานเสร็จแล้วเราเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทำทานถ้าเราอยู่ในขั้นภาวนาเราก็ต้องทุ่มเทให้กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทำทานแล้วหมดหน้าที่แล้วทานมันเพียงแต่เป็นผู้มีหน้าที่ส่งให้เราเข้าไปสู่การรักษาศีลหนการภาวนานั่นเอง พอเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ได้ภาวนาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องทํรทานเก็บตัวอยู่กับสถานที่ปฏิบัติของเราไม่ต้องไปร่วมงานบุญต่างๆงานกระถิน ง, งานผ้าป่างานอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นงานของเราแล้วงานของเราคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิปีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สง บ, บสงัดเพื่อสร้างรสติ เพื่อจเจริญสมาธิเพื่อจเจริญปัญญาที่จะมาทำลายความอยากที่ทำให้เราเป็นขอทานนี้ให้มันหมดไปพอความอยากที่ทำให้เราเป็นขอทานนี้หมดไปเราก็จะกลายเป็นมาหาเศรษฐีขึ้นมามีปรมังสุขขังอยู่ภายในใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการ ที่เราปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือให้เราทําทางให้หมดรักษาศีลให้บริสุทธิ์และภาวนาให้เต็มเต็มร้อยให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาเต็มร้อยแล้วผลก็จะเป็นผลที่เต็มร้อยอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรก่เวลา จึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราภิปุรลนติสัคหลังเอวเมวะอิตตินังเจตานาัอุ ป, ปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเกิะเมวะสมิชจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะวะโสยะามลิโชติอาวะโสยะาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีจีขาโกภวะอะพิวาธนสีลิสานิจังอุทาปจายโน จะตาโรธรรมวาทาติอายุวโนสุขัภาลังถ้าใครมีปัญหาคำถามอะไรก็ถามได้ถ้าอยากจะถาม ถ้าไม่มีก็ถามทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับครับต่อไปเป็นคำถามจะใชงอินเทอร์เน็ต Facebook นะครับพระอาจารย์สุชาติ บ, บพิชาโตนะครับจากคุณแพตตี้นะครับโยมมีวิกกิจอิจฉาอีกแล้วขอกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าสภาวะเช่นนี้เป็นสังขารไอ้สังขารลูปเปยขายานหรือไม่ ในวันสุดท้ายที่8ของการลาขันจากเข้าวิปัสสนามีลักษณะว่ามีช่องว่างระหว่างกายกับจิตคือเห็นกายทื่อๆแยกอยู่ข้างๆจิตมีอาการลอยๆตั้งมั่นเหมือนลอยอยู่ข้างๆกายเหมือนไม่รับรู้อารมณ์เอ อ, เ อ, อในช่วงเวลานั้นหากว่ากายเป็นอะไรหรือมีอะไรมากระทบ จิตจะบอกว่าช่างมึงช่างมันไม่เกี่ยวกับฉันคือจิตเป็นสภาวะเหมือนละวางกายไปเลยกล่าวคืออุปทานในตัวตนไม่มีไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันรู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างกายกับจิตแยกกันอยู่รู้สึกแต่ว่าอยากทำบุญรู้สึกว่าเรารวยจังคือเราไม่หวงไม่ตนีประมาณนั้นอยากช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปซะหมด อาการเช่นนี้เป็นสังขารลูเปรลูเปกระขาเหรอครับอาจารย์ไหม <c oughs> ลูลูเปะานไม่ออกไหมครับมันเป็นอดีตไปแล้วมันจะมีชื่ออะไรก็ไม่สาคัญสาคัญที่ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรตอนนี้ยังเป็นเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าตอนนี้ยังปล่อยวางได้หรือเปล่า ยังมีความไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายหรือเปล่าให้ดูในปัจจุบันเป็นหลักอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเป้าหมายของเราก็คือต้องให้มันเป็นในปัจจุบันตลอดเวลาเช่นมันปล่อยวางได้แล้วมันกลับมายึดติดอีกหรือเปล่าถ้ากลับมายึดติดอีกอดีตที่มันดีขนาดไหนมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรา ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่เราต้องดูปัจจุบันว่าใจของเราว่างใจของเราปล่อยวางได้หรือเปล่าไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายได้หรือเปล่าถ้ายังเดือดร้อนอยู่แต่มานั่งคิดถึงอารมณ์เดิมที่มาคิดถึงสภาวะที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปแล้วก็เป็นการหลอกตัวเราเองเราต้องยึดหลักปัจจุบันเป็นหลัก ดูผลในปัจจุบันเป็นหลักว่าจิตของเราตอนนี้สงบหรือไม่สงบทุกหรือไม่ทุกยึดติดหรือไม่ยึดติดเอาตรงนี้เป็นหลักถ้าสงบก็ดีไปถ้าไม่ทุกก็ดีไปถ้าไม่ยึดติดก็ดีไปถ้าไม่สงบถ้าทุกถ้ายังยึดติดก็ต้องปฏิบัติใหม่เพื่อที่จะมาทำลาย ความยึดติดความทุกข์ความไม่สงบนี้ถ้าอยู่ในขั้นเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในขั้นสมาธิก็นั่งสมาธิไปถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็เจริญปัญญาไปอันนี้คือหลักของการปฏิบัติอย่าไปติดอยู่กับอดีตบางวันเรานั่งสมาธิดีจิตสงบใจปล่อยวางเราก็อาจจะคิดว่าเราบรรลุแล้ว <c oughs> เราหลุดแล้ว แต่พอมาวันนี้กลับมายึดมาติดมาวิตกมากังวลมาห่วงกับเรื่องนั้นห่วงกับเรื่องนี้อยู่มาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังมาคิดว่าเอ้เราบรรลุแล้วนี่เราเออเราอย่างนี้ก็จะหลอกตัวเองถ้าบรรลุจริงแล้วมันต้องไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับอะไรตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่นั่งในสมาธินั้นเท่านั้นเอง ส่วนชื่อนั่นจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เรียนคำพีมาเรียนแต่ใจตัวเดียวในใจนี้มันไม่มีชื่อมันมีแต่ความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายยึดหรือไม่ยึดเท่านั้นเองขอให้รู้แค่นี้ขอให้เราสงบให้เราไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ติดไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใย ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้รู้ทานี้ก็พอมีปัญหาข้อเดียวแล้ววันนี้อ๋อมีเตรียมมาครับหากเราไม่มีการเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิจะไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยมีกำลังสมาธิใช่หรือไม่ใช่ ทรัพย์ภายในมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็สบายไม่ต้องไปหาเงนะินเนี่ยมีทรัพย์ภายในแล้วก็ให้คนอื่นเขาหามาให้เราเนยะมาบวชนี่ไงในวันไม่ต้องทํำเลยเนะี่ยมีคนหาเงินมาให้ทุกวันนะถ้าใจดีแล้วมันดึงดูดทุกอย่างมาหาเราเองถ้าใจชั่วแล้วมันมันถีบทุกอย่างให้อเขาจากเราไปบวชนะเราชั่วนี่ลูกเมียยังไม่อยู่กับเราเลย ทำใจเราให้ดีสัอย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันจะมาเองความดีของใจนี่แหละจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาหาเราเองก็คือทรัพย์ภายในนี่เองคือความดีบุญนี่แหละคือความดีดูพระพุทธเจ้าเนี่ยขณะท่านตายไปตั้งสองพันห้าร้อกว่าปีก็ยังดึงดูงดพวกเราเข้ามาหาท่านอยู่ทุกวันเนี้ยเรามาหาใครถ้าเราไม่มาหาพระพุทธเจ้ากันเนี่ยเพราะความดีของพระพุทธเจ้าดึงดูจิตใจ ความบริสุทธิ์นี่แหละคือความดีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่อยากไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้แหละคือเศรษฐีที่แท้จริงเพราะมีความพอความพอนี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงความพอก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่เงนั้นถ้าอยากจะเป็นเศรษฐี มีทรัพย์ภายในก็ต้องพยายามทําทานพยายามรักษาศี่พยายามภาวนาไปเถอดแล้วสักวันหนึ่งทรัพย์ภายนอกมันก็จะเข้ามาหาเราเองเราไม่ต้องไปหามันดูหลวงตาที่ท่านอยู่เฉยๆ เ, เงินทองคํามาเป็นตันคิดดูมีใครหาเงินทองคําเป็นตันได้บ้างท่านก็ไม่มีอะไรท่านเพียงแต่พูดให้เราทําทานรักษาศี่ภาวนานี้มันก็มาแล้วนี่แหละคือ ทรัพย์ภายในประโยชน์ของทรัพย์ภายในก็คือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วทรัพย์ภายนอกมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองหาเจกนกระทังต้องวิ่งหนีมันเพราะมันหนักอกหนักใจ <c oughs> มีแล้วต้องแบกมีแล้วต้องรีบเอาไปให้เขาทันที <c oughs> ออ่ตถามต่อไป ต้องการทำบุญสละออกแต่ปัจจัยไม่พร้อมแต่ก็เสียสละออกเนื่องด้วยต้องการทำบุญจะเป็นบุญกรรมดีและมีกรรมบาปด้วยหรือไม่แม้เราจะเดือดร้อนแต่ก็เต็มใจคือถ้าทำในสิ่งที่เราไม่มีนี่ก็ถือว่าผิดแล้วการทำที่ให้ทำในสิ่งที่เรามีสิ่งที่มันมีเกินความจำเป็นของเราส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้เราก็ต้องเก็บเอาไว้ ถ้าเราทำสละไปแล้วแล้วเราเดือดร้อนอันนี้มันก็จะเป็นโทษกับเราได้เพราะจะทำให้เราไม่สามารถทำหน้าที่ของเราในการปฏิบัติทําได้แต่ถ้าเราให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อนก็ให้ไปเถะิะเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้นี่คือความหมายของการให้ทานให้ใช้ในสิ่งให้ไปในให้ให้ให้ในสิ่งที่เราไม่ใช้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา แต่ไม่ใช่ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อเอามาให้อย่างนี้เป็นการไม่ใช่เป็นทานนะมันเป็นกิเลสเป็นความโลภความโลภอยากได้ทานอยากได้บุญอันนี้เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมก็ต้องให้ในสิ่งที่เรามีเกินความจำเป็นถ้าให้มากเกินไปแล้วเราเดือดร้อนเราไม่สามารถ ทำหน้าที่อย่างอื่นของเราได้อันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าไม่มีแล้วก็จบให้เราทำหน้าที่ขั้นต่อไปถ้าไม่มีเงินให้ทานแล้วเราก็รักษาศีลได้แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการจะหาเงินหาทองถ้าเรายังอยากหาเงินหาทองอยู่เราก็จะรักษาศีลไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรค ค น, นก็บ่นเลยว่าทำมาหากินนี้ถ้ารับถ้าพูดความจริงแล้วจะขายของไม่ได้ความจริงไม่ใช่ความโลภอยากจะได้เงินทองมากๆเลยทําให้คิดว่าถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่ได้จะขายไม่ได้แต่ความจริงความการพูดความจริงนี้มันไม่เป็นโทษกับใครเป็นเป็นคุณคนที่เข้ามาซื้อของกับเราถ้าเราเขารู้ว่าเราพูดความจริงเขาก็จ ะ, ะเขาก็จะดีใจสีีอก ดิการจะมารู้ว่าเราพูดความไม่จริงมาโกหกเขาเช่นเวลาเขามาติดต่อการงานถามว่าพวกนี้ได้หรือไม่เราอยากจะได้งานของเขาแต่เรารู้ว่าทําไม่ได้แต่เราก็บอกไปกับ ว, ว่าได้พอพวกนี้เขามาไม่ได้เขาก็เสียมเสียเวลาเขาเดี๋ยวเขาก็ไปทําที่อื่นอยู่ดีเพราะเขารู้ว่าเรานี่ไว้ใจไม่ได้แล้วพูดโกหกต่อไปเขาก็ไม่มาทําธุรกิจกับเรา แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ก็บอกเข้าไปเขาก็ถามว่าถ้าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ได้เราก็พูดตางความจริงไปถ้าเขารอได้เขาก็เขาก็เขาก็จะเอาเราอยู่ดีแล้วพอเขาได้ตามที่เราพูดเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเราทุกครั้งเขาอยากจะได้อะไรเขาก็จะมาติดต่อกับเราเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้ตามที่พูดไว้แต่ถ้ามาทำแล้วบอกทีไรก็ไม่ได้สักที ต้องเดินไปสองสามครั้งกว่าจะได้นี่คนก็จะเบื่อก็จะไม่อยากจะกลับมาทําธุรกิจกับเราอีกแต่ความโลภมันทําให้คิดว่าการพูดการการพูดความจริงแล้วจะไม่ได้งานจะไม่ได้เงินเลยทําให้ต้องโกหกก็คิดกันอย่างนี้ดังนั้นความโลภความอยากได้เงินมันจะทําให้เรารักษาศินไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความโลภความอยากได้เงิน เราทาไปตามความถูกต้องได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเพราะเราไม่ต้องการมากอยู่แล้วเราต้องการพอที่จะมาเลี้ยงดูชีวิตของเราเท่านั้นเองแล้วถ้าเรารู้จักอยู่อย่างประหยัดรู้อย่างอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือยแล้วเราไม่ต้องหางกันมากเลยค่าใช้จ่ายวันหนึ่งนี้จะไม่มีมากที่มากนี้มันหมดไปกับความอยากต่างๆเสียมากกว่า อยากจะซื้อของกินของดื่มต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องกินต้องดื่มอยากจะซื้อของที่ไม่จาเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องมีก็อยากจะได้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่ไอ้ตัวนี้เองที่จะทำให้เราต้องหางกันอย่างอย่างมากมายกายกง ก, ก็เลยจะทำให้เราต้องรักษาศีทธ์ไม่ได้กันแต่ถ้าเราทำเพื่อ เพื่ออยู่รอดไปวันวันอย่งนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการรักษาศินนี่จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนี่คือการทําทานเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมามากเกินไปเพราะมีมากเราก็จะเอาไปทําทานอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะเราไม่ต้องการที่จะรวยเราต้องการที่จะมีทรัพย์ภายในต้องการที่จะมีสินต้องการจะมีเวลา ที่จะไปสร้างทรัพย์ภายในคือความสงบด้วยการจะไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่สงบสงัดวิเวกตามตามวัดตามวาต่าง ๆ, ๆถ้าเรายังมีภารกิจการหาเงินหาทองอยู่เราก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าเราหากินพอพออยู่ได้นี้เราทางานเดือนนึ่งทำแค่สองสามวันหรือสิบวันแล้วก็พออยู่ได้แล้วเราก็มีเวลาไปทำอย่างไปปฏิบัติธรรมได้ นี่คือคื อ, อเหตุของการทำทานเพื่อลดความต้องการเงินทองลดความอยากได้เงินได้ทองเพื่อจะได้เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องมัวแต่หาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากซึ่งใช้เท่าไหร่ก็จะไม่มีวันพอมีเท่าไหร่ก็จะใช้มันไม่พออย่างนั้นนะเพราะมันมีของที่จะมาล่อตาล่อใจเราอยู่เรื่อยๆ รถคันเดงยวนี้มันมีตั้งแต่ราคาเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปถ้ามีมากก็จะซื้อรถราคาแพงขึ้นไปมันก็เป็นรถเหมือนกันสี่ล้อเหมือนกันมีเครื่องเหมือนกันพาเราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่พอมีเงินล้านก็ต้องซื้อรถเงินล้านละเท่าถ้ามีเงินแสนก็ซื้อรถเงินแสนมีเงินหมื่นก็ซื้อรถเงินหมื่นดังั้นการมีเงินเพิ่มมากขึ้น ถ้าเราได้ซื้อของแพงๆเพิ่มมากขึ้นมันจะไม่ได้ทําให้เราหยุดการหาเงินหาทองแต่กลับทําให้เราต้องหาเพิ่มมากขึ้นไปเด้อยเราก็จะรักษาศีลไม่ได้กันเราก็จะไปปฏิบัติธรรมกันไม่ได้แต่ถ้าเราสกัดมันด้วยการกําหนดกรอบของเงินว่าเราจะไม่ไม่ให้มันมีมากไปกว่านี้เราต้องการใช้เท่าไหร่เราเอา เอาขีดเส้นไว้ตรงนี้ว่าพอถ้ามีมากกว่า น, นี้ต้องเอาไปทําทางหรือหยุดหามีสองทางถ้าไม่อยากให้มันมากไปกว่า น, นี้ก็ต้องหยุดหยุดหาถ้ามันถ้ามันมาเองหยุดแล้วมันยังมาอยู่ก็ต้องเอาไปให้คนอื่นอย่างนี้มันก็จะมันก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการหาเงินใช้เงินกันใช้เงินเฉพาะเพื่ออยู่อยู่ให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นเอง ไม่ไม่ใช้เงินตามความอยากเพราะถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทาทานทำทานเพื่อเราจะได้ตัดสะพานคือเงินทองถ้ามีเงินทองมากมันก็จะเป็นสะพานของกิเลสของตัณหาของความอยากพอไม่มีเงินทองกิเลส ต, ตัณหามันก็อยากไม่ได้ อยากซื้อลดเงินลดราคาหลายหลายร้อยล้านหลายล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินล้านที่จะซื้อว่าเอาไปทำบุญหมดเอาไปทำทานหมดแต่ถ้าไม่มีแล้วก็หยุดถ้าไม่มีแล้วเราก็สบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการให้แล้ะเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ครับคำถามนะครับ การไปยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีไม่ดีจะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมของเราหรือไม่และเราสามารถติดบ่วงกรรมไปกับเขาไหมการกระทําของเรานี่ครัมันเราจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมเองผลของการกระทาเองไม่ว่าจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้หรือไม่ก็ตามถ้าเราทําดีผลดีมันก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราทําไม่ดีผลไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกับเรา การทำความดีก็คือการไปปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการกระทำที่ดีที่สุดแต่ถ้าเรายังมีหน้าที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีพรกุดกับเราเช่นบิดามารดาเราต้องดูแลเลี้ยงดูท่านอย่างนี้เราทำไปเราก็ได้ผลดีกลับมาเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่เราไปปฏิบัติธรรม แต่เรายังมีกรรมอยู่เรายังมีภาระอยู่เรายังไปไม่ได้เราก็ต้องทำในระดับนี้ไปก่อนก็คือดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถปฏิบัติทราได้เพราะเราไม่จาเป็นจะต้องดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงเวลาที่เราไม่ดูแลท่านเราก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติทราได้เหมือนกัน การกระทํานี่มันอยู่ที่ตัวเราผลก็เป็นของเราถึงแม้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นถ้าเป็นการกระทําที่ดีมันก็ผลดีถ้าเป็นการกระ ท, ทํ า, ารร ท, ที่ไม่ดีมันก็เป็นผลไม่ดีเช่นเราไปเผาบ้านเผาเมืองนี่ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราเราไปทําลายคนชั่วแต่ผลมันไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเราเราไปทำแต่ถ้าเราออกไปแสดงความ เห็นของเราว่าเราไม่สนับสนุนเขาเราไม่เราตั้งอยู่ในความสงบไม่ไปทําอะไรให้เสียหายมันก็ไม่มีผลเสียหายตามมากลับมาหาเราถ้าเราทําให้ถูกตามกฎของของบ้านเมืองของศีลและธรรมงั้นการกระทําอะไรเราต้องดูการกระทําของเราเป็นหลักถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครกร็ตามต้องดูว่าการกระทําของเรานี้มันอยู่ในกรอบของศีลและธรรมหรือไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่ ถ้าอยู่นอกกรอบของศีลธรรมนอกกรอบของกฎหมายถึงแม้ว่าเจตนาลมจะดีแต่มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ดีเช่นเราไปฆ่าเขาอย่างนี้เพราะเราเห็นว่าเขาเป็นคนชั่วเราจะทําลายบ้านเมืองเราเราไปฆ่าเขาการฆ่าเขานี่เราก็ทําบาปแล้วเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของบาปนั้นคนอื่นก็ไม่ได้รับผลกับเราถ้าเขาไม่มีส่วน กับการกระทาของเราเพรานั้นบางทีเราต้องมองโลกให้มันกว้างๆเพื่อที่เราจะได้ทำใจได้ถ้าเรามองโลกในมองโลกในมุมแคบๆเราก็อาจจะทำใจไม่ได้ถ้าเรามองว่าอีกห้าสิบปีร้อยปีคนที่อยู่ในวันนี้ก็ตายกันไปหมดใครจะเป็นนั่ารวยเป็นหมหาเศรษฐีเป็นตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตายกันหมด ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เน้นถ้าเราจะต้องเสียให้เขาไปวันนี้ก็ให้เขาไปเนีเขาก็าไปไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีอยู่ไปไม่กี่ปีก็ต้องตายไปตายไปก็มีคนอื่นมาแทนที่ตัวชั่วมันมีมาทดแทนอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เหมือนกับอะไรสัตว์ที่ตัดหัวมันตัดหัวมันอกมันก็มีหัวใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่แนะ ตัดไปจนเหนื่อยช่วยอย่าไปตัดมันดีวกว่าปล่อยให้กรรมมันเป็นผู้จัดการกังมันเองใครทำกรรมมันไดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจหรือให้สถานการณ์ไม่ดีดีขึ้นหรือเพื่อสอนคนเป็นบาปไหมเรียกเป็นกุศโลบายได้ไหม <c oughs> ก็ต้องดูว่ามันมีเจตนารมอยู่ตรงไหนบางทีเราอ้างกุศโลบายแต่ความจริงีเราต้องการปกปิดความชั่วของเราอย่างนี้ก็ไม่ใช่กุศโลบายก็มีตัวอย่างที่เคยได้ยินมาที่เรียกว่าเป็นกุศโลบายมีแม่กับลูกไปจาบปา ในหนองจับพวกปลาไหลที่นกไปจับงูพิษเข้าพอดีแม่หันมาเห็นเข้าตอนต้นแม่ก็ตกใจพอได้สติก็บอกลูกว่าดีแล้วงูตัวนี้ดีจับไว้ให้แน่นนะเดี๋ยวแม่จะมาช่วยอันนี้ก็โกหกแล้วเห็หพอพอลูกจับไว้แน่นแม่ก็มาช่วยพอพอจับงูงูพิษมาแล้วแม่ก็ตีมันตายแล้วก็บอกอันนี้มันเป็นงูพิษอย่าไปจับมันนาทีหลัง ถ้า อ, อย่างนี้ก็เรียกว่ากูสโลบายได้ไม่ใช่หนีไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็มาบอกแฟนว่าไปทำงาน <c oughs> เพื่อให้แฟนสบายใจอย่างนี้นไม่ใช่กูสโลบายมันต้องชัดเจนเค่ไหนมันต้องมีประโยชน์ต่อผู้ที่เราพูดจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพูดของเราถึงจะเรียกว่าเป็นกุสโลบายไม่ใช่เรามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ อ้างว่าเป็นกุศโลบายใช้ไม่ได้หนีแฟนไปเที่ยวแล้วก็บอกไปทำงานนี้กระจายไหมใครยังมีอะไรถามไหมอ่าวถามมาถามว่าอ่าอย่างนถอยากจะศึกษาทางปฏิบัติทำอะค่ะมันต้องใช้เวลาค่ะทีนี้เราก็ายังมีภาระอย่างเช่นการที่ต้องา ม, มาหาทหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอลูกศิษย์อะไรก็ารากาตามที่มันสามารถสร้างรายได้ใลระดับที่เป็นรายได้ชลบุริสติคือมันทำแล้วมันจบแต่ระหว่างทางก่อนที่มันจะเป็นแต่ได้แบบนั้นเนี่ยมันต้องที่โลนมากอะค่ะที่โลนกวปกตินี่จะถามว่าเราการที่เราตรงนันเพื่อให้จบมีรายได้ในเพียงพอในระดับที่เราพอใจแล้วเราก็ใช้รายจากนั้นเนี่ยในการศึกษาและปฏิบัติธรรมไปเลยค่ะอาจจะละ ทางโลกแล้วก็ไปทางธรรมเลยนะคะอันนี้เนี่ยควรจะทำอย่างนั้นนะคะหรือว่าควรจะไม่ต้องไปดิ้นรนมากแต่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆแค่ที่เราทำได้ในแต่ละวันก็พอเลยก็แต่ละคนก็คงจะมีทางของตนไปไม่เหมือนกันทางไหนก็ได้ที่ทำให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจะทำแบบ เ, เต็มที่เลยไปบวชชีเลยก็ได้ หรือว่าถ้ายัางไปไม่ได้ยังต้องมีภาระอะไรอยู่เราก็ทําภาระไปแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างเราก็ศึกษาปฏิบัติไปคือขอให้เราตั้งเป้าไว้ที่การศึกษาปฏิบัติเป็นหลักก็แล้วกันส่วนหน้าที่การงานอย่างอืงน่นนี่ถือว่ามันเป็นภาระผูกพันที่เราจะต้องค่อยๆปลดมันไปทีละเปราะทีละเปราะ อนกว่าเราจะปลดมันได้หมดแล้วเราก็ค่อยไปปฏิบัติกันอย่างเต็มที่คือเราต้องยืนแล้วต้องเดินออกจากจุดที่เรากำลังยืนอยู่ตอนขณะนี้เรามีภาระผูกพันอะไรบ้างหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าหรือว่าไม่มีภาระผูกพันไปได้แต่ไม่มีกำลังจะไปก็ไปไม่ได้ถ้าใจไม่ไม่สู้ใจไม่ไม่พร้อมกลัว ยังติดอยู่กับความสุขที่เคยมีอยู่จะไปก็อาจจะไปไม่ได้ก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆลดละการหาความสุขที่เคยหาให้มันน้อยลงไปแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติให้มีการมากขึ้นถ้าจิตมีความสงบมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีกําลังที่จะทำให้เราลดละหรือหยุดการหาความสุขในรูปแบบเดิมๆได้ แล้วเราก็จะสามารถไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบต่อไปในเบื้องต้นก็ทําจากน้อยไปหามากก่อนถ้าเรามีมากอยู่แล้วก็สบายคนบางคนมีบุญมาบรารมีมามากในอดีตพอได้มาศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเก่งครั้งสองครั้งก็สละทุกอย่างได้ออกบวตได้เลยก็มีดงนั้นในในในเรื่องของการดําเนินนี้มัน ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกันทั้งบุญบา ร, รมีทั้งภาระทั้งกรรมเก่ามันอาจจะมาขัดมาขวางถ้าเป็นกรรมเก่ามันก็จะมาขัดมาขวางถ้าเป็นบุญวาสนาบาลมีมันก็จะมาสนับสนุนเราเราแต่ละคนมีไม่มามีกรรมมีบุญมาไม่เท่ากันเพราะในอดีตชาติเราทําบุญทำบาปมาไม่เท่ากัน มันถึงส่งผลมาให้มีไม่เหมือนกันนั้นรูปแบบของแต่ละคนจริงไม่เหมือนกันในการที่จะเข้าสู่ทางธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้ากาจะออกบวชได้ก็ต้งอายุยี่สิบเก้าไปแล้วแต่สมัยนี้กุบาอาจารย์บางรูปท่านก็ได้บวชได้ตั้งแต่เป็นเลนเลยสมเด็จพระสังฆราชในท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเลนมาทีนี้แต่ละคนนี่มันมีมีภาร ะ, ะไม่เหมือนกัน หลวงปู่มั่นท่านก็บวชเป็นเลนก่อนเสร็จแล้วก็ต้องเสึกกลับไปช่วยบ้านไปทำนาทำไรแล้วพอโตขึ้นอีกก็นหน่อยท่านก็สามารถออกมาบวชได้บวชแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะไปบำเพ็ญตามลำพังได้เพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะท่านก็คอยสงเคราะห์จนอายุเกือบหกสิบมั้งท่านถึงไปปีกวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวระยะหกสิบถึงเจ็ดสิบนี่ท่านไปบาเพ็ญ ตามประวัติี้ท่านก็ไปบรรลุในช่วงนั้นตอนที่ท่านไปปฏิบัติอยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็ต้องใช้เวลานา น, านพอสมควรกว่าจะบรรลุได้เน้นแต่ละคนนี้มีวิถีการดําเนินเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกนี้มีไม่เหมือนกันว่าวาสนาบุญบารมีหรือกรรมที่ได้ทามานี้มีไม่ไม่เหมือนกันนั่นเองเราก็ต้องไปตามวิถีของเรา ดูดูที่ตัวเราดูที่ความสามารถของเราดูที่ภาระความผูกพันที่เราต้องรับต้องแบกอยู่นี่ว่าเราปลดเปลื้องได้ช้าหรือได้เร็วแล้วทําไปตามข้อสําคัญอย่าไปทุกข์กับมันเราต้องยอมรับสภาพของเราบางทีความอยากของเราอยากจะไปให้เร็วอยากจะไปให้ได้มากแต่มีอุปสรรคมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเราขับรถแล้วไปติดตามไฟแดงไปติดตามสีแยกเราอยากจะรีบไปให้ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีก็ต้องขยับไปตามเขาไปจนกว่าเราจะขยับขึ้นทางด่วนได้พอขึ้นทางด่วนได้ทีนี้ก็ไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคแล้วมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะผลักดันตัวเราได้มากน้อยเท่าไหร่อย่างพอบวดได้แล้วเนี่ยที่อยู่ที่ตัวเราแล้ว พอบวได้แล้วมีเวลาที่จะภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนนะจะเร่งความเพียรอย่างไงก็ได้หรือจะกินจะนอนไปก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วรถเราได้ขึ้นทางด่วนแะล้วจะเหยียบให้มันสุดเลยก็ได้หรือจะเหยียบมันไปเล็ก ๆ, ๆน้อยๆไปวิ่งไปเรื่อยๆตามสบายก็สุดแท้แต่อันนี้แต่เรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอา แต่ข้อสาคัญอย่าทําให้เกิดความทุกข์เกิดความทอ้อแท้ใจขึ้นมาแล้วมันจะพาให้เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเลยแล้วก็จะอาจจะขอบเลื่อนไปเป็นชาติหน้าพบหน้าต่อไปอันนี้ก็จะตกตกหลุมอุบายของกิเลสต้องคิดว่าไม่มีพบไหนชาติไหนที่จะดีเท่าพบนี้ชาตินี้แล้วถ้าเป็นรถไฟก็เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วที่จะพาเราไปพ่านิพ้ผ่าน ถ้าเราไม่รีบกระโดดขึ้นเนี่ยชาติน่ากลับมาจะไม่ได้เจอรถไฟขบวนนี้นะขบรถไฟก็คือพระพุทธศาสนานี้เราไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาใหม่เมื่อไหร่แล้วพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันอยู่นี้ก็จะมีอายุไม่เกินห้าพันปีเราตายไปแล้วอาจจะต้องไปใช้กรรมใช้บุญอีกหลายพันปีกว่าจะกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็ได้กลับมาเกิดแล้วอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีรถไฟให้เราเกาะขึ้นแนละ้ว เราก็ต้องเดินไปเดินไปนี่กับนั่งรถไฟไหนมันจเจริญหัวกันอย่างตอนนี้มีรถไฟกระบวนสุดท้ายแล้วรีบรีบกระโจนขึ้นไปให้ได้นะรีบตีตั๋วกันไม่ใช่มัวแต่ไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มไปสนุกสนานเฮฮากันเข้าใจั้มมีอะไรไหมถามมา กาว่ากฎแห่งกรรมนี่คืออะไรใครเป็นผู้กําหนดและกฎนี้มนไม่ได้คือทำํำตันมันไม่มีผู้กําหนดแร้วมันเป็นธรรมชาติเป็นเป็นเรื่องของการกระทำเนี่ยเราทําอะไรแล้วมันก็จะมีผลกลับมาหาเราผลหลักก็คือความรู้สึกภายในใจเราเราคิดดีนี่เราก็มีความสุขแล้วเราคิดไม่ดีเราก็มีความทุกข์แล้วอันนี้แหละเป็นผลที่ไม่มีใครมากําหนดมันเป็นธรรมชาติของใจเรา เราทำบุญเราก็มีความสุขใจเราทำบาปแล้วก็จะมีความทุกข์ใจส่วนผลอื่นนี้เป็นผลรองไม่ได้เป็นผลหลักเช่นทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วกลับไม่ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางออกกฎหมายนี่โทษกรรมได้อันนี้ไม่ใช่เป็นกฎของกรรมกรรมที่แท้จริงก็คือใจเนี่ยใจมันเครียดใจมันวุ่นวายใจมันไม่ได้ดังใจสักทีใจมันทุกข์เพราะทำบาป ให้ดูดูที่ใจเป็นหลักผลของกรรมอยู่ที่ใจส่วนที่ร่างกายนี่เป็นเป็นผลพลอยได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่อาจเกิดขึ้นก็ได้ทำดีแล้วอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ทําชั่วอาจจะได้ดีก็ได้แต่นี่ไม่ใช่เป็นผลของของกรรมผลกรรมที่แท้จริงอยู่ที่ความสุขใจห้ือความทุกข์ใจทำดีมันต้องสุขใจแน่นอนทาทุกทำบามันต้องทุกข์ใจแน่นอน อันนี้ของตายตัวนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้อยู่ที่ใจ น, นอย่าเราอย่าไปมองผลภายนอกมองว่า เ, เราทำดีแทบเป็นแทบตายทำไมเงินเดือนเราไม่ขึ้นเลย <c oughs> ไม่มีใครให้รางวีรางวัลเราเลย <c oughs> ให้มองว่าเรามีความสุขใจเราพอใจเราทำแล้วเรามีความภูมิใจว่าเราทำได้ทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้ เช่นเราทำงานถึงหกโมงคนอื่นเขาสี่โมงขึ้นเขาก็กลับแล้วเรายังขยันอยู่ต่อทำต่อถึงแม้จะไม่ได้เงินเดือนเพิ่มเราก็ไม่เราก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเพื่อเอาเงินเดือนเราทำเพื่อความภูมิใจอย่างนี้เราก็จะมีความสุขถ้าทำความดีแล้วหวังผลตอบแทนนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นการทาความดีแล้วเป็นการซื้อขายแล้ว เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการลงทุนพอไม่ได้ผลตอบแทนมาก็ขาดทุนก็เสียใจแต่ถ้าทำความดีแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนจะได้ความสุขเสมอจะได้กำไรเสม อ, อพอแล้วยังมีอีกไหมอาว่ามา ปฏิบั ต, กติการสั่งสวัติที่เรียกว่าสวัสดิบุญไปตามที่ต่างจะเป็นการได้บุญมากกว่าที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่บ้านคือบุญมันมีสองลักษณะไงการที่เราไปแสวงบุญนี่หมายถึงว่าเราไปหาคําสอนไปหาธรรมะหาผู้สอนที่รู้จักวิธีปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรเรามีคําสอนแล้วเราก็ไม่ต้องไปเราปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ขอให้เป็นสถานที่สงบไม่มีอะไรมาลบกวนใจเราท่านั้นเองแต่ที่เราต้องไปเพราะว่าที่ที่ปฏิบัติที่บ้านเราอาจจะไม่ดีเท่ากับที่วัดที่อยู่ตามชนบทที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไปอยู่ที่นั่นแล้วมันเหมือนกับปลูกข้าวในในนาที่มันมีดินดีน้ําดีอยู่บ้านเราเหมือนกับปลูกข้าวบนภูเขาอย่างนี้ดินก็ไม่ดีน้ําก็ไม่ค่อยดี ผลมันก็ไม่ค่อยออกดังนั้นการปฏิบัตินี้บางทีเราต้องหาที่ปฏิบัติเพราะว่ามันมีที่ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติกับที่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้อันนี้จึงเป็นเหตุที่ให้เราจะต้องไปออกจากบ้านเราไปกันเพราะโดยปกติแล้วที่บ้านนี้ไม่ใช่เป็นที่เหมาะต่อการปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางของแสงสีเสียงของรูปเสียงกลิ่นรสของเพตุการ์ต่างๆ ที่จะมาคอยรบกวนการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราไปอยู่ตามตามป่าตามเขาที่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆนี้ก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจเราเน้นเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าเราต้องการครําสอนเราก็ต้องไปหาผู้ที่มีความรู้สอนเราถ้าเราต้องการที่ปฏิบัติที่สงบเราก็ต้องไปหาที่ปฏิบัติที่สงบแต่ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านได้ เรายังไม่สามารถที่จะออกจากบ้านไปได้เพราะเรามีภารกิจหน้าที่ความผูกพันอะไรเราก็ต้องปฏิบัติที่ที่บ้านเราไปก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง mm. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเราว่าเราเราจะทำอะไรได้อย่างไรมากน้อยเพียงไรเ mm hmm. ข้าใจน ะ, ะ, ะทางนี้ต่อ คือการการบรรลุธรรมนี่ต้องพิจารณาใจให้แจ้งนะก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราไม่ไปทุกข์กับมันเวลามันแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเวลามันเจ็บไล้ได้ป่วยแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเวลามันไม่ตายเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันก็ถือว่าบรรลุธรรมได้ เข้าใจอยังงั้นก็ใช้ได้เข้าใจไม่พอต้องไปทดสอบดูต้องต้องเห็นแจ้งด้วยอ่าต้องไปหาที่ไปไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยดูไปหาหมอหมอบอกเป็นโลกมะเร็งดูนี่ว่าเอ่ออเข้าใจน ะ, ะแล้วตอนนั้นจะรู้ว่าเอ่ออตอนนี้มันพูดได้ว่าไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเพราะยังไม่เจอเสือไว้เราไปเจอเสือก่อนนะ เราดูซิว่าจะทำใจได้ไหมปล่อยให้เสือกัดได้ไหรือเปล่าถ้าทำใจสู้เสือแล้ว เ, เสือไม่กัดทำใจดีสู้เสือ <S <S เสือไม่กัด แล้วก็ไม่ทุก์ดยใช่ไหมรู้ว่ามันจะไปก็ไปใช่ไหมนั่นแหละที่ไม่ทุกก็เพราะว่าเรายอมไงยอมใช่สี่สิบห้าวันหาทายเนี่ยตลอดเลยวันก็ตื่นหครั้งสามโมง3ามโมงห้าวันแต่เพิ่งจะฟื้นมาได้สี่ใช่ อนี่แหละถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่ทุกข์เราปล่อยวางร่างกายได้จะไม่ทุกข์หมดกรรมก็ไม่เอาหมดกรรมก็ไปยังไม่หมดกรรมเพราะอะไลรลงมาสรงบุญต่อก็ไม่เป็นไรขอให้คิดว่าอยู่ก็ดีไปก็ดีแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรอยากไปอยากอยู่หรืออยากตายอยากตายก็เป็นทุกข์อยากอยู่ก็เป็นทุกข์ เวลาเวลาไม่ตายแต่อยากตายมันก็เป็นทุกข์ได้เช่นคนบางทีเจ็บคไายได้ป่วยรักษาไม่หายก็อยากจะตายแต่มไม่ตายมันก็ทุกข์อยากตายก็ไม่ดีอยากอยู่ก็ไม่ดีต้องเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้ถึงจะเรียกว่าดีถ้าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ า, าบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา อ่นานะอธิษฐานการอธิษฐานหลังจากที่ทาบุญแล้วหรือนั่งสมาธิอะค่ะเพือที่จะหวังอย่างน้ย่างนี้ถเป็นจเล่มันไม่จำเป็นอธิษฐานมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลที่เราจะได้รับเข้าใจไหมคาว่าอาธิษฐานนี่ความจรงิงเป็นเป็นมันแปลได้สองความหมายซึ่งส่วนใหญ่เราจะไปแปลเป็นคำว่าขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่ง น, นี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นความหมายที่แท้จริง ควาหมายทางศาสนานี้ท่านแปลว่าความตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องตั้งใจก่อนเช่นก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้เราต้องตั้งใจก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่ได้มาที่นี่เราก็จะไปที่อื่นแทนเดียวกัน <America> ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติตัวเราเองเพื่อให้ไปให้ถึงอวยขอภัย ไปให้มันถึงพระนิพพานด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอันนี้เรียกว่าเป็นการอธิษฐานต้องอธิษฐานก่อนที่เราจะทำคือไม่ต้องขออะไรขอไม่ได้ไงขอคนจะขออะไรถ้าขอคือมีความอยางขอก็ไม่ได้อยู่ดีไม่มีผล <c oughs> ไม่มีผล <c oughs> ถ้าขอได้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเขอไปเรื่อยๆทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อัตตาหตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนที่พึ่งของตอนก็คือการกระทําของตอนนี่เองทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่ออยากทำทไม่ได้อธิฐานเลยแบบชวนปั๊บได้มาเลยเนี่ย อันอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญไงอ่าอันนี้ก็ก็เป็นถือว่าเป็นบุญของเราที่มีคนชวนเรามาโไปรังนั่งดิองมาลไรเคยจัเอาไว้นะจะไปไหนเับก็อกเมอาจะมาแนี้าต้องทอขย อธิษฐานที่แท้จริงก็คือต้องตั้งเป็นการตั้งใจเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนต้นโพในท่านก็ตั้งอธิษฐานจิตว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตัดสรู้แล้วอธิษฐานอย่างเดียวก็ไม่พอด้วยต้องมีสัจจะเข้ามาอีกคำหนึ่งสัจจะก็คือความแน่วแน่ตั้งใจไว้อะไรแล้วจะต้องทําจะไม่ล้มเรีวยกว่าสัจจะเขาถึงยังมีคําพูดนี้คู่กันไปสัจจะอธิษฐาน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี้ภาวนาไปจนกว่าจะหลุดพ้นจนกว่าจะตัดสรู้ถ้าร่างถ้าน้ําในเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไปแต่จะไม่มีวันที่จะหยุดการภาวนาจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้อันนี้เรียกว่าอธิษฐานสัจจะอธิษฐาน พอมีสัจจะมีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะตามมาความขยนันความเพียรที่จะภาวนาแล้วก็ต้องมีความอดทนขันติเพราะเวลาแผดเผากิเลส ต, ต่อสู้กับกิเลสนี่มันเหมือนกับต่อสู้กับไฟมันจะร้อนมันจะทุกข์ถ้าไม่มีความอดทนก็จะสู้ไม่ไหวดังนั้นต้องมีคุณธรรมสี่ประการนี้คือมี อธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติถึงจะทำให้สามารถสำเร็จประโยชน์ที่เราต้องการได้ดังั้นเราต้องมาทำความเข้าใจใหม่ว่าคำว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่แปลว่าขอแปลว่าความตั้งตั้งใจตั้งเป้ากำหนดทิศทางของเราว่าเราจะไปทางไหน เพิ่มเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องจริงใจต่อาการตั้งเป้าของเราตั้งใจจะบวชพอถึงวันบวชก็เปลี่ยนใจ <c oughs> นย่างนี้ก็ไปไม่ถึงดวงดาว <c oughs> ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องรักษาสัจจะเมื่อเมื่อบวชแล้วก็ต้องขยันปฏิบัติต้องอดทน ไม่ใช่พอไปเจอความทุกข์หน่อยความยากลําบากหน่อยก็ลาสิกขาใช่ไหมนี้ก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานดงนั้นใครทําความเข้าใจเชื่อใหม่นะว่าคําว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นการขอแต่ชาวพุทธเราเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี้จะขอกันนอถ้าขอได้แบบ น, นี้ก็เป็นนายกกันทุกคนแล้ว <c oughs> เป็นเศรษฐีกันทุกคนแล้ว บ้านเมืองก็จะสงบกันใช่ไหมแต่มันขอไม่ได้ถ้าทุกคนมีศีลมีธรรมบ้านเมืองก็สงบเองปัญหาคือบ้านเมืองไม่สงบเพราะทุกคนมีกิเลสตัณหาทุกคนมีความอยากต้องการให้เป็นไปตามความอยากของตนพอไม่เป็นก็ต้องบังคับให้ผู้อื่นเขาทำตามความอยากของเราให้ได้พอเขาไม่ทำก็ต้องมีการต่อสู้กัน ก็มีเกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นตามมาแล้วเดี๋ยวมันก็สงบไปใช่ไหมเมื่อสองปีก่อนก็เผาไปทีแล้ว เ, เดี๋ยวนี้ก็เผาไปเดี๋ยวก็เผาเสร็จมันก็สงบไปแล้วอีกสองสามปีมันก็กลับมาใหม่มันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่ากดอันดิจังไงไม่มีไม่มีความสงบที่ถาวรไม่มีความวุ่นวายที่ถาวรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงไปตามเหตุตามปัจจัย เหตปัจจัยที่เป็นก็คือกิเลสตัณหาของคนนี่เองที่ทําให้สังคมวุ่นวายกันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กิเลสตัณหาเท่านั้นเองถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วสังคมนั้นก็จะสงบหรืออย่างน้อยถ้ามีกิเลสตัณหาแต่ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎระเบียบของกติกามันก็ไม่มีปัญหาเช่นสังคมของพระสงฆ์เนี่ยมันก็สงบกว่าสังคมของญาติโยมพระสงฆ์ก็มีศิงสองอยี่สิบเจ็ดข้อ ท่านก็ตั้งอยู่ในกฎนั้นท่านอยู่ในกฎนั้นสงก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมาแต่ถ้ารูปใดรูปหนึ่งไ ป, ประผิดไป ป, ป, ปฏิบัติผิดกฎแล้วมันก็เกิดปัญหาก็ต้องถูกกรรจัดไปพระพุทธเจ้าก็ตั้งกฎเวลาผู้ใดทำผิดศีลขั้นรุนแรงก็ต้องให้ลาศิกขาลาเภทไปให้อยู่ในสังคมต่อไปไม่ได้อยู่ในสงฆ์ไม่ได้ อยู่แล้วจะทําให้เกิดความปั่นป่วนเกิดความเสื่อมเสียตามมาได้เพราะถ้าคนหนึ่งทําได้อีกคนหนึ่งก็จะทําตามเมื่อทําตามกันมากขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมาดังนั้นเราต้องเขาลบกฎหมายเขาลบกฎระเบียบเขาลบกฎกติกาของของเราเองที่พวกเราตั้งกันขึ้นมาเองพวกเราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ ไม่เขาลบก็เหมือนกับที่หลวงตาท่านพูดเขียนด้วยมือแล้วก็ลบด้วยเท้าเขียนไปกี่ฉบับมันก็ลบด้วยเท้าเพราะไม่มีใครจะเขาลบกฎกติกากันพอถึงเวลาเลือกตั้งก็โกงกันี้พอมาเป็นตําแหน่งก็โกงกินกันอย่างนี้แล้วมันจะทําให้บ้านเมืองสงบได้อย่างไรไม่มีวนันหรอกถ้าไม่มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือใจของคนต้องทําให้ใจของคนที่มา สว่าวงหาประโยชน์ผล ป, ประโยชน์ได้อยู่ในกรอบของกฎของจติกาต้องไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมอย่างนี้คุณจะรวยไปขนาดไหนก็ไม่มีใครก็ว่าคุณเนหะมือนการเล่นฟุตบอลแล้วเราเราเรามีกฎหนึ่งเข้า อ, อีกกฎหนึ่งมันก็ชนกันยุ่งนะ <laughs> <laughs> เราเตะไปล ขี้เกียจเตะแล้วก็มือจับแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นมันก็อย่างงี้มันก็เล่นกันไม่ได้ล่ะทุกคนต้องอยู่ในกฎอันเดียวกันเคารพกฎกติกาผิดก็ต้องยอมรับผิดพอตัวเองทําผิดก็ไปอ้างว่าไม่ผิดอย่างงี้มันก็ไม่มีวันจบดังนั้นพวกเรา ต้องพิจารณาว่ามันเป็นกรรมของประเทศเราก็แล้วกันแล้วเราก็อย่าไปทำให้มันรุนแรงมากไปกว่านี้เราทำได้อย่างมากก็แสดงความเห็นของเราโดยสันติวิธีแต่เราจะไม่ไปทำให้บ้านเมืองเสียหายเดือดร้อนใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีฮะ ไม่มีก็คิดว่าขอปิดประชมุม <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดจบแล้ว ดีเนี่ยจะทำไป ไ, ได้ไก้ไมด้ได้ ไ, ดไม่ส้วนนีก็สุดอยากไปขายกันแล้วกันตามเขาไม่เห็นจามไม่เห็นตามแล้ววาตรงนี้เขาเขาไปถวายนะเอาถวายจะไปก็ถือเอาไปวา